262. อับปตินิสักะอุเขปนิยกรรมวิวาท ะ, ะถาว่าด้วยความขัดแย้งในอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาส 439. ภิกษุทั้งหลายนนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่ปรารถนาจะสละทิฏฐิบา ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ไม่ปรารถนาสละทิฏฐิบาปเอาละพวกเราจะลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น